ถ้าสวดมนต์เป็นอ่านออราตนขณะสวดออกก็ไม่ต้องอธิษฐานขอหลายข้อให้ยุ่งยากหลายข้อได้หมดตั้งแต่ก่อนสวดจบออราในบทความนี้หมายถึงความสว่างที่รู้ด้วยใจต่างจากนิยามของออราเป็นสีสีที่เกิดจากการฝึกเห็นด้วยตาเบสิกของการอ่านออราตัวเองขณะสวด มีแค่สองสาข้อง่ายๆคือหนึ่งยอมรับตามจริงว่ากำลังฟุ้งซ่านหรือสงบไม่อยอมรับตามจริงว่ากำลังฟุ้งซ่านก็จะเกิดสติเห็นออร่ายุ่งเหยิงปั่นป่วนแปรปรวนไปมาเหมือนทะเลคลั่งพอสวดยังมีสติเห็นเช่นนั้นก็จะรู้สึกว่าใจค่อยๆสงบลง ตอนสงบลงจะเห็นออราเหมือนทะเลเรียบราบคาบถ้าสงบราบคาบได้นานก็จะเริ่มเปรียบเทียบถูกเห็นจักมโนภาพหรือว่าออรายุ่งเหยิงคือต้นตอของความใจร้อนหงุดหงิดง่ายออราสงบราบคาบคือต้นตอของความมีใจคอเยือกเยน็นสอง รู้ตัวตามจริงว่ากําลังสวดงึมงําหรือเปลงแก้วเสียงแจ่มใสเมื่อรู้ตัวว่ากําลังไม่เต็มใจสวดแบบงิมงําก็จะเกิดสติเห็นออร่าสีเทาหมุนมองหดหู่แล้วก็มีความคับแคบอึดอัดไม่สบายพอเปลี่ยนมาเป็นเต็มใจเปลงแก้วเสียงให้ชัดขึ้นสดใสขึ้นก็จะรู้สึกว่าออร่าผ่องใสขึ้น ขาวขึ้นหน่อยๆเรื่อยไปกระทั่งขาวมุกเจิดจ้าถึงจุดที่เปล่งประกายเต็มและมีความคงเส้นคงวาได้ก็จะเริ่มเปรียบเทียบถูกเห็นจากมโนภาพเลยว่าออร่ามืดหม่นหดหูคือต้นตอของหน้าตาเศร้าหมองออร่าเป็นประกายสดใสคือต้นตอของหน้าตาสดสวยหล่อเหลา 3. าสำรวจใจตามจริงว่ากำลังสวดแบบขอความสุขหรือสวดแบบถวายความสุขคนส่วนใหญ่สวดแบบหวังสปปรรพคุณของบทสวดสวดแล้วจะได้ลาบก้อนใหญ่ได้ผัวได้เมียได้เป็นนั่นเป็นนี่อันนั้นเรียกสวดแบบขอความสุขตราบใดยังไม่ได้สุขก็ยังต้องทุกจากการขอร่ำไปออร่าของผู้ขอและยังไม่ได้ จะมีลักษณะห่อเหี่ยวซูบซีดแบบคอทานแต่ถ้าเปลี่ยนมาสวดแบบถวายความสุขเช่นสรรเสริญดารัตนตรัยตามความหมายของอิติปิโสสวดด้วยความรู้สึกราวกับอยากเห็นพระพุทธรูปมีความสุขเช่นนี้จะเกิดความสุขล้นหลามในเวลาไม่นานนักอาราของผู้ถวายความสุขจะมีลักษณะเบิกบานไร้ขอบเขตแบบผู้มั่งมีสีสุข ซึ่งถ้าได้ถึงตรงนั้นก็จะเริ่มเปรียบเทียบถูกเห็นจากมโนภาพหรือว่าออราหอเหี่ยวเป็นกำแพงปิดกั้นกระแสะพุทธคุณออราเบิกบานเป็นประตูเปิดรับกระแสะพุทธคุณได้รับความคุ้มครองจากพลังใหญ่ของพระรัตนตรัยใจคอเยือกเย็นไม่โมโหร้ายหน้าตาดีมีคนรักคนชอบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกข้อได้หมดตั้งแต่ก่อนสวดจบด้วยออร่าจากการสวดมนต์แบบพุทธ